ยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมธรรมะพระไพบูรณ์ทุกสัปดาห์ก็มากับคุณหมอรัตพงศ์ครับสวัสดีครับผมรัตพงศ์กนกวิรุณครับวันนี้เอพิส od ที่ทลายล้วคุณหมอรัตพงศ์เจ็ดสิบสองครับเราไม่ต้องยืดยาวอะไรมากหรอกเข้าเนื้อกันเลยเมื่อสัปดาห์ที่เราพูดถึงประเด็นที่ว่าอย่ายึดแต่ให้ออกเป็นที่พึ่งอันนี้คือไม่ได้ว่าเล่นคํานะ ไม่ได้าเล่นคำนะแต่คือคําไทยเนี่ยมันปนๆปปกันจึงต้องมาชี้ไปเลยให้เห็นว่าบางคนบอกเฮ้ ย, ยึดอันนี้เป็นที่พึ่งเว้ยมันจะใช้ปนกันคุณใช้บทเพียรชนะไม่สอดกล้องกับพระเจ้าแต่เพราะฉะนั้นก็ในเมื่อเราต้องศึกษาพุทธชนะเราก็ต้องเอาที่มันใกล้เคียงกับพุระเจ้ามากที่สุดถูกไหมคร่บเพราะฉนั้นก็ต้องใช้พุทธจนะเป็นที่พึ่งนะใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครับในเรื่องนี้ก็มีคุณน้ำฝนที่เขียนคอมเมนต์มาในที่นี้คุณน้ำฝนมีคอมเมนอย่างนี้บอกว่า ถ้าสาวกกล่าวธรรมที่มีอัฏฐอัฏฐนะได้คล้ายกับของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถฟังได้อันนี้อย่าพึ่งเข้าใจธรรมาผิดนะครับคือที่บอกว่าให้เอาคําของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยนะแล้วอย่ายึดเนี่ยอย่ายึดนี่ไม่ใช่หมายว่าไม่ใช่ไม่ไม่ฟังก็ได้นะไม่ใช่นะคือต้องฟังยังไงก็ต้องฟังคําของพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมคือสมมติว่าถ้าเราจะเลือกฟังคําของพระพุทธเจ้ากับฟังคําของสาวกอันนี้ต้องฟังคําของพระพุทธเจ้าแน่นอนถูกครับอ่ะถูกไหมเพราะว่า พระราให้คอนติเนียมมานะสมมติว่าเราเราูรา้ถึง10สเกล10บนะสเกลเนี่ยเต็มร้เป็นตี่ยคือเป็นคของตถาคตมีความความลึกเป็นความหมายซึ่งว่าเฉพาะด้วยสุญญตานี่คือเต็มนะูคืออะไรคือเป็นคาของสาวกว่าด้ยวยเรื่องนอกแนวฟังให้ดีนะศคือคของสาวกว่าด้ยวยเรื่องนอนทีนี้สาวกที่พูดเรื่อง สุญญาตาเนี่ยมันก็ไม่ถึง 100% เแนะ่เพราะว่าบทเพียงชนะอาจจะไม่ใช่ของพระุเจ้าใช่ไหมอาจจะ 80-90% ครับเ ข, ข้าใจนะหมลพงเพราะฉะนั้น 80-90% ถามว่าคุณฟังได้ไหมคุณก็ฟังได้เท่าที่ 80-90% บนะฟังอีกครั้งหนึ่งคุณก็ฟังได้เท่าที่ 80-90% อันไหนที่ไม่ตรงเราก็ต้องยกไก่อนเพราะฉเราต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคอของพุาตลอดเวลาเข้าใจไหว่าถ้าเราเอ า, รเาเพระยุะปปยทยเดเวลา อย่าไปยืดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่จีดใครจะว่ายังไงเราไม่จีดแต่พอเราฟังคาใครมาเราไปปุ๊บไปแมทชกับคําของพิชารณาเลยมีดิสคริ p เ n นซีไหมถ้ามีดิสคริปเปนซีไอที่เหลือที่ไม่ตรงเอายกทิ้งเราฟังเฉพาะที่ตรงนะถ้ามันบทพยัญชนะไม่ตรงห0าอร์นตไม่เป็นไรตรงไหนตรงเราฟังตรงนั้นตรงไหนที่เอาอาาัตราตรงเท่านี้เปอร์เซ็นต์ก็ฟังเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ครับเข้าใจไหมแต่ไอที่ที่เขาไม่ตรงสมมติเป็นเขาไม่ตรงเนี่ยเราไม่ด่างไง นี่คือไม่ยึดครับเข้าใจไหมแล้ว<า>ถามว่ารเราเอาเป็นที่พึ่งนะคือบางคนอาจะไปเข้าใจว่าอธิมาล์ในคอมเพลมไมส์ในเรื่องนี้ไม่ใช่อือันนี้พูดตายคำลังกิจคำแต่โดนดาอยู่นี่เอาแค่ว่าเราไม่ได้ออแบบอ่อนตามตอนพูดยังไงเดียคอมพลไมส์ ise, ประจัแนแปลว่าอะไรคุณหมอรัฐพละนีประนอมอไม่ได้ประนีประนอมในเรื่องนี้คุณโอ้ยเรื่องศีลมันไม่มีประนีประนอมนะหมอรัฐคือความชั่วก็คือชั่วบาปก็คือบาป ไม่ฉาไม่ฉามักคือไม่ฉามากักสัมมามากคือสามมามากักแค่นี้เองคือทําได้ร้อเข้าใกล้เมื่อไหร่โอ้โหดีดีมากๆคําว่า no compromise เนี่ยหมอระพคือความไม่ประนีประนอมใช่ไหมคือคือเราไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องของการที่คุณจะต้องมาศึกษาปริญนาตรีนะทีนี้ว่าพอพอเรารู้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วว่าเออเราต้องมาศึกษาปริญญาตเราจึงไม่ประนีประนอมในการที่จะศึกษาอย่างอางื่นทีนี้เราไปดันยึดไอตรงที่ไม่ประนีประนอมนี่ เพระนั้นถ้าคนที่ยังมีความยึดยูเนมาไม่ประนีประนอมปุ๊บคุณจะทิ้มแทงคนอื่นด้วยหอกหรือปากครับเพราะความที่เราไม่ประนีประนอมนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีความยึดเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งนะคุณก็จะไม่ประนีประนอมนะคือไม่ใช่ว่าไปประนีประนอมนะแต่ไม่ประนีประนอมคือโน้มคอมเพลมในการที่ศึกษาพระพุทธศานะแล้วเราก็ศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นพระพุทธชนะไงแต่ส่วนที่ไม่ใช่เนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใครถ้าเราถามว่าคนที่เขาพูด ส่วนที่ยังไม่ใช่ปุถุวชนนะเนี่ยเราก็ยกย่องเขาเพราะว่าเขาปฏิบัติดีในะ อ, ยอย่างพระภิกษุเนี่ยจะกําหนดบทเพียงชนะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่ท่านโนคอมพลไมซ์ในสีของท่านนะอย่างสีปัจฉิกสีเนี่ยโนคอมพลไมซ์ no ไม่งั้นจะจะไม่สามารถรักษาความเป็นพระอยู่ได้อืมโนคอมพลไมซ์ในสังขารที่สี่สิบามเพราะไม่งั้นจะต้องไปติดคุกพระแล้วอืมรเพราะฉั้นท่าโนคอมพลไมซ์ในเรื่องของการปฏิบัติตโอ้โหดีมากเลย เข้าใจไหมแต่ว่า <c oughs> เราโ no น c o m p r o ม i s ในเรื่องของการศึกษาปฏิวัติในเรื่องของการศึกษาคําสองบริชาเราโน c o m p r o m i s ตรงนี้แต่เราไม่ได่าใครไม่ว่าใครนะเพรา ะ, ะพอเรารู้ข้อมูลว่าเออเราควรจะต้องใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์เนี่ยนะ่ะแล้วเราไปยึดตรงนั้นเนี่ยแหละนี่แหละคือถุกอืมคือเกิดความยึดขึ้นใช่อย่างบางคนบางคนนั่งสมาธิไปหมอระพงนั่งสมาธิไปปล่อยวางได้นะนะวางไปแล้วเนี่ยมันยึดตรงที่วางนั่นเอง อ๋ออ่อาก็ใช่ไหมอย่างธรรมะเราศึกษาธรรมะโอ้ธมะนี้ดีมากเลยคุณยึดตรงนั้นอีกนี่คือโทษเราต้องคอยระวังความยึดมันไปกับเราทุกที่เราวางตรงนี้ได้แล้วเราคิดว่าเราจะวางได้แล้วมันไปยึด้ตรงที่วางนั่นอีกเพราะฉะนั้นความยึดถือเนี่ยมันมันตามเราไปทุกที่เลยโหมันมาพร้อมกับตัณหาแล้วมันก็เนิบคลานไปเรื่อยเป็นเครือข่ายแผ่ซ่านที่จะพูดถึงก็คือว่าให้คอยระวังว่าคุณอย่าไปยึด ถึงแม้ที่คุณคิดว่าไอ้คุณวางไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปยึดไอ้ตรงที่หวานนั้นก็ได้เราคิดว่าเราเจอธรรมะดีๆแล้วนะที่เป็นไปเพื่อความคลายคลายความยึดถือแต่ถ้าเราไปยึดถืออีกโอ้สวยเลยนะเราก็ จ, จะเป็นทุกข์เพราะนั้นก็จึงพูดถึงประเด็นตรงนี้ที่ว่าถ้าเราโน้มน้อมประนอมแล้วเรายังมีความยึดอยู่นะเราก็จ ะ, ะทิ้มแทงคนอื่นนะแล้วถ้าเราโน้มน้อมประนอมแล้ว เ, เอาพระพูุทธธรรมประสงฆ์เป็นทะี่พึ่งนะเราก็จะไม่ทิ้มแทงใคร เราก็จะ ย, ยกยอก่อง ค, คนอื่นที่ถึงแม้เขาจะแสดงพุทธวจนะได้ไม่ร้อเเซ็นต์อาจจะอัฐะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบุเพียรชนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้าบุคคลนั้นเขาโน้มคอนเปอร์ในเรื่องการปฏิบัติของเขาโอ้ในเยี่ยมเราก็ยกย่องในเรื่องการปฏิบัติของท่านครับอ<ะ>เพราะว่ารพระสงฆ์นี่ควรยกย่องในเรื่องการปฏิบัติของท่านเรื่องการสอนนี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นพุทธวจนะแต่ทีนี้ถ้าท่านอยู่ในเกรย์อารียก็ยังถือว่าไม่ดีก็เอาเท่าที่มันดีเอาเท่าที่มันดีได้อ่ะ อ่าเกรอาเรียมมันก็จะมีดำกับขาวอยู่ปนกันอยู่ใช่ไหมเราเอาสีดำเราไม่เอาเฉพาะสีขาวอย่างเงี้ยนะอื่าเพราะฉะนั้นไม่ได้คอมเพลมไพร์ในเรื่องของการศึกษาพุทธวจนะเลยไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจให้ถูกว่าเราเอาเฉพาะส่วนที่เราเอ่อที่มันตรงกับพุทธพุวจนะนี่คือคือเอาเป็นที่พึ่งนะแล้วที่มันไม่ตรงเราทำไงเราไม่ด่าไงอืมเราไม่ว่าไงครับเออเรายนทิ้งไปไหมเราก็ไม่ว่าใครเราก็ลองดู เออมันใช้งานมันก็จะมีส่วนที่เราพอจะใช้ได้บ้างนะอืมครับอืมเออแล้วก็เรื่องเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าเราไปหาฟังคําของสาวกที่เป็นเรื่องนอกแนวอันนี้ก็ไม่ใช่นะอืมครับแต่เราไม่ใช่ว่าไปหาฟังคําของสาวกที่ว่าด้วยเรื่องสุญญาตาคือยังไงเนี่ยนะหมอ ร, รัตพงศ์เอ้ยถ้าผมว่าอใครสักคนใดคนหนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามเป็นอุบาสกบัณิกาก็ตามเนี่ยที่พยายามจะสแสดงธรรมของพระเจ้ายังไง ท่านเหล่านั้นก็เอามาจากของพระเจ้าเข้าใจไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเอามาจากของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องเป็นบทพิเศษของพระเจ้าเป็นอัตลัของรพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติสามารถกอปี้หนึเหมือนเป๊ดนีน่นคือยอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์นะพระเจ้าหลายๆหลายๆครั้งเคยบอกว่าให้เอาพระองค์เนนะี่ยเป็นโร่โม del นะเป็นเหมือนกับพยายามที่จะทำให้เหมือนพระองค์ให้ได้นะซึ่งก็ดีมากเลยนะที่นี้คนความสามารถไม่เท่ากันอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปดูหมิอนความสามารถตรงที่ท่านไม่เท่าพระเจ้าของงั้นนะ หรือเราจะไม่ได้ไปยกย่องตัวที่ว่าแม้ท่านอธิบายเข้าใจไม่ใช่เราต้องยกย่องการสอนเนียต้องยกการสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยหรอป่าครับเพราะฉะนั้นเรายกย่องพระพุทธเจ้าที่สอนเรายกย่องภิกษุค์นั้นในฐานะที่เท่าใดที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ครับภิกษุองค์นั้นว่าสวริบาศกาคนนั้นนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะโอ้ดีมากเลยแล้วถ้าเขาแสดงธรรมได้ใกล้เคียงพระพุทธเจ้าโอ้ดีๆๆส่วนที่ไม่ใกล้เคียงไม่บรรลัยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเรายกยกย่องในฐานะที่ท่านปฏิดี ใช่ครับอย่างนี้ก็ใจนะก็ใจครับแล้วเราตัวเราเองเราทําไงตัวเราเองทําไงตัวเราเอง เ, องเนี่ยเราต้องไปเบนช์มาร์กกับของบระพุทธเจ้ตาลอดในเรื่องคําสอนนะครับเทียบเคียงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะใช่ใช่แล้วแล้วพิสูรรูปนั้นอุบาสกอุบาสิากาคนนั้นที่เรามีความเคารพศรัทธาแล้วให้เขาเป็นอะไรให้เขาเป็นกตัญมิตเราก็ได้นะไปหาเพื่อนสัพพรมารีที่อันเป็นที่ตใต้ความเนื่อมใสบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วก็ให้เขาเป็นกรลยานิมิตในการที่จ ะ, อะคอยไปไต่ถามตวนถามว่าทําข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ไหน<ม>ท่านก็จะช่วยเปิดทํานี้ให้เราได้<ม>เอาอเปิดทําได้แล้วทําตรงนั้นแหมก็เป็นเรื่องด้วยสุญญาตานะอาจจะบทเพีย้ยนชนะไม่ใช่เราก็ฟังเฉพาะส่วนที่เอัถะเหมือนกันการเข้าใจไหมแล้วก็ฟังเฉพาะส่วนที่บทเพี้ยนชนะเหมือนกันอย่างนี้นะที่ไม่เหมือนเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะท่านปฏิบัติดีอยู่แล้วเออราต้องเบนช์แม็กกับของพุทธาตลอด ครับออย่าไปเข้าใจอะรมาผิดนะครับอ่าว่าเราเข้าใจถูกแล้วเราไม่จีดนะเราไม่ยึดเป็นเราไม่ยึดแต่เราอาศัยเป็นที่พึ่งตรงนี้เหมือนกันสมมติว่าคนที่คนที่อยึดเรื่องไม่เอาพระเครื่องแต่ยึดความที่ฉันจะต้องไม่เอาพระเครื่องถ้าใครเอาพระเครื่องมาเสนอพูดถึงพระเครื่องกรบ า, าอาจารย์องนี้มีเพื่อเขาจะเริ่มด่าละบอกว่ า, ว า, วาวทำไมอาจารย์องนี้ตัวไหนทำอย่างนี้มีพระเครื่อง นต่ที่เพราะว่าเขายึดความที่ไม่มีพระเครื่องครับเอาไอคนที่มันยึดความมีพระเครื่องบอโอ้โหหลวงพ่ออี่ทําพระเครื่องวับถือถือนะนซื้อมากเลยๆอย่างงี้หลายหลายร้อยองค์อย่างงี้นะเพราะว่าความที่เขายึดพระเครื่องไอที่พอตอนที่ท่านไม่เคยทําโห้ยกับไม่เคยมาวัดมานิดนิดหน่อยหน่อยพอท่านเริ่มทําแล้วโอ้โหมามากเลยออันนี้คือยึดพระเครื่องไงครับก็จะเปนนี่คือยึดนะส่วนคนที่ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนําไง สบายใจให้สุนโลกมาแล้วหครับมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็จะ <c oughs> ไหมเอาคนคที่ยึดความมีพระพุทธรูปฉันไปนี่ฉันต้องไหว้พระก้าวการาบพระพุทธรูปนะเขาจะไปที่ว่เฮโร่ทาอย่างเงี้ยนะมีเลยส่งน้พาพระใครไม่ทําไม่ได้นะใครตบหน้าพระพุทธรูปไม่ได้นะเขาจะจี๊ดนะนนี่คือคพวกที่ยึดถือพระพุทธรูปนะส่วนที่พวกยึดความที่ไม่มีพระพุทธรูปทําไงโอ้ยมันก็จะว่าพวกที่ว่าพวกที่การาบพระพุทธรูปนะ แต่ถ้าเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งใช่ไหมเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอะไรที่มันจะหาให้เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรอก็ใช่ไหมเพราะเรากราบเนี่ยเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าใช่เออครับอย่างที่เราคุยคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอนะใช่ครับอันนี้คือเรากําลังจะแยกชี้ประเด็นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ความยึดถือเนี่ยมันไม่ดีมากๆเลย่นะมันทําให้คนทะเลาะกาันทําให้กลายเป็นตามบอดคลำช้างเมื่อวานได้ข่าวที่เาได้พูดไปไหมตามบอดคลำช้างอะ่ะ<อ>คุณคลำได้ได้ครับได้พูดถูกใช่ไหม ค, คลมําส่วนนี้นิดๆหน่นนอยๆปุ๊บก็คิดว่าโอ้ยธรรมะต้องเป็นอย่านี้นะเลยธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นเอาละเอาล ะ, เ, าละเริ่มทิมเทียงกันด้วยหอกคือปากบนะแต่ถ้าคนที่รู้ภาพรวมทั้งหมดโอ้ตุกอย่างมันไหลรวมก็มาในจิตนะว่าเราสบายใจมากเลย จะมีก็ไม่ว่าแต่เราก็ไม่หาสร้างหรือว่าถ้าจะสร้างแล้วก็ไม่เครียดอะไรสบายใจวาจาอะไรที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกเราก็กล่าววาจานั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่วาจาใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกเราก็กล่าววาจานั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่ไอ้นี่คำพระพุทธเจ้านะพูดกับพราหม์ชื่ออคิเวสนะพอจบอประโยคเนี้ยท่านพระสารีบุตรที่ถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังแด้บรรลุเป็นพระอรัน โอ้โหวาจาใดา ท, ที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกเราก็กล่าววาจานั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่ครับสบายใจไหมเคาจะบ้ายังไงเราก็สบายใจคือ<ช>เรารไม่ได้บ้านะไม่ได้ยิ้มบ้าอยู่คนเดียวนะแต่ว่าเราไม่มีต้องไปยึดตืออะไรอะ่ะเพราะาอะไรอะไ ร, อ, ะไรอาศัยอำนาจอะไรของการที่เราไม่ต้องยึดตืออะไรอาศัยอำนาจของความที่เราใช้พระบุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อคร่าสายอำนาจของพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเราจึงคลายความยึดถือได้ครับมันเนียนมากหมอแล้วมันเลเอียดมากถ้ามีดไม่คมจริงปาดไม่ออกปาดออกผิดที่หรือเกินไปกปาดไม่สุดหรือบางทีโอ้ยมีปัญหาเยอะแยะครับมีดในที่นี้หมายถึงปัญญาปัญญาใช่กรมอันนี้ว่าหมอเวลาก่อนที่เขาจะผ่าตัดอย่างสมองอย่างนี้นสมมติฝาแฟด ฝาแฝดสยามตัวติดกันหรือว่าหัวติดกันอย่างเงี้ยหมอเขาจะผ่าหัวออกเนี่ยเขาจะต้องเอ็กซเรย์สแกนแล้วสแกนอีกเพื่อรู้ว่าจะไปทิศทางไหนผ่านแนวไหนวางแผนการผ่าตัดบ้างกันเถอะ แ, แล้วแนวที่จะผ่าปาดออกเนี่ยเนื้อเยื่อเนื้อร้ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือว่าจะปาดสมองของฝาแฝดที่หัวติดกันอย่างเงี้ยออกเนี่ยนะนนะเขาจะต้องดูแผนที่การผ่าอย่างอย่างเนียบมากทีเดียวมิลลิเมตรน่ยหน่วยถึงเซียวนึ่งของมิลลิเมตรนะ ใช่ครับต้องมือนิ่งมากหรือว่าต้องใช้เลเซอร์หรืออุปกรณ์อะไรที่มันมีความ precision ถูตสูงเช่นเดียวกันไอ้ตรงเนี้ยมันเนียนมากแล้วต้องมีดคมมากแล้วต้องแนวทางผ่าที่ต้องเนียบมากมันก็คืออารยามากมีองแปดเป็นหนทางเป็นทางที่เราจะปาดตรงนี้ที่ไม่ดีออกได้ให้เหลือแต่ที่ตรงดีๆอืมครับมัน ม, มันมีอีกหลายเรื่องนะหมอรงศ์ที่ทําให้เรายึดทําให้เราไม่ยึดทําให้เรายึดทําให้เรา เป็นที่พึ่งมันไม่ยึดฝั่งนี้มันจะไปอีกฝั่งหนึ่งเอาเราคลายฝั่งนี้ได้มันกลับไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยอืมเพราะรว่าความยึดเนี่ยมันอยู่ตรงที่ดูอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือเราใช่ไหนะเครื่องกล่าวโอ้โยกล่าวแล้วโยวนทิง้งคแต่ว่าเร า, เราคิดว่าเราปล่อยวางได้แล้ว น, นะไม่ใช่มันไปยึดเครื่องใหม่ <laughs> <laughs> ใช่ไหมบาง ค, บคนบางคนว่าโอ้ยบริษัทนี้แม่งห่วยไม่ทํางานหรอก เจ้านายก็แย่ลูกน้องก็แย่พนักงานก็แย่ฉันย้ายบริษัทดีกว่าย้าให้บริษัทไปนะตัวเราคือจริงๆความแย่อยู่ที่ตัวเองนะความแย่อยู่ที่ตัวเองไปบริษัทไหนมันแย่หมดอืมันแย่เหมืดเพราะความแย่มันติดตัวเราไปอืมเช่นเดียวกันเองครับเราคิดว่าเราจะดีแล้วนะเปลี่ยนบริษัทนะคิดว่าเราจะดีแล้วเอ้าไปบริษัยมันก็แย่เหมือนเดิมดีกว่าไอ้มันเป็นอะไรวะเปลี่ยนมาเนี่ยบางคนทํางานแค่เอห้าปีเปลี่ยนงานทุกเดือนเปลี่ยนมาสิบริษัทอย่างเงี้ยนะโอ้โหครับเออ ปรากฏว่าโอ้ยก็แย่ทุกบริษัทเลยนะก็เพราะว่าตัวเองอะไรแย่ไปที่ไหนมันก็แย่หมดอ่ะครับอืมเพราะว่าความยึดถือมันติดไปกับเราด้วยมันติดอยู่ที่ใจเนี่ยมันติดอยู่ที่ขันห้าขันห้าอยู่ไหนขันห้าอยู่ในกายเราใช่ครับเราแบกภาระนี่มาแล้วนะมันติดหนึ่งกันมาเนี่ยมันไปด้วยกันหมดตลอดเวลาเลยนะอืมเหมือนแนบแนบติดชิดกันเรียนไปเลยครับเพราะรเราต้องปาดตรงนี้ออกให้ได้ครับอปาดตรงนี้ออกให้ได้ ความยึดถือเนี่ยมันมันไม่ดีเลยมันมันไม่ดีเหมือนที่มีคํากล่าวว่าถ้าผู้ใดที่ไม่ได้สดับมาศึกษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะไม่เห็นไอ้ความเนียนความกิเลสเหล่านี้เลยนะครับอืมความละเอียดในธรรมะ น, นี้เป็นขอสําหรับคนที่เอ่อเป็นบัณฑิตวิสัยนะเป็นของละเอียดลุ่มลึกนะแต่ว่าก็เป็นวิสัยที่สามารถรู้ได้นะอย่าเพิ่งไปหมดกําลังใจบอกโอ้โหมันมันเอาเราขนาดนี้ ตรงเนี้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเครื่องผูกอันนี้ธรามมาเคยเล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งที่เท้าเวประจิตถูกถูกจับถูกจับโดยเท้าสกัดเทวราชเท้าสกัดเทวราชเนี่ยเป็นหัวหน้าในสวรรค์ชั้นดาวเดืองแล้วก็ตอนนั้นสู้รบกันจับเท้าเวปจิตได้พอจับเท้าเวประจิตได้ก็พันธนาการเท้าเวประจิตด้วยมนอันนี้อันนี้เคยเล่าให้ฟังอยู่ ใช่ไหมเอามา <Okay. S 1> เล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ <Okay. S 1> ไม่ใช่วิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทพันตนานะไอ้ปัญจวิทพันตานานี่เป็นหลังๆแล้วหลังๆแล้วที่ว่า <Okay. S 1> สู้กันจนหมดหน้าตักแล้วนะ oh. คือมันแพ้ชนะกันมาหลายรอบบางรอบ <Okay. S 1> แพ้บางรอบชนะรอบที่ชนะแรกๆเนี่ยก็จองจําด้วยวิธีไายมนตรงนี้แต่บางทีหลุดไปได้นะไร้มนตรงนี้ว่าถ้าเมื่อไหรนะท้าเวปัญจิตนี่คิดว่ า, าคิดว่าพวก พวกเทวดานี่พวกเทวดาชั้นดาวดึงนี่แย่มากเลยเป็นคนไม่ตั้งอยู่ในธรรมเป็นคนชั่วชั้นจะกลับไปสู่พบแห่งอสูรนะเอ้เครื่องล็อกตรงนี้มันจะยิ่งแน่น ใ, ในปัญจวิทธาปัญชนะนี่นะมันจะยิ่งแน่นมาก uh huh. อ่าแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่นะที่คิดว่าเออพวกเทวดาเป็นคนดีพวกอสูรเป็นคนชั่วนะเราอยู่ในพบแห่งเทวดานี่ก็แล้วกันนะท้าเวทย์ประจิตนี่จะอิ่มเอิบด้วยก ร, รมคุณทั้ง5อันเป็นทิพย์ของสถาัญชั้นดาวดึ คือคือพระพุธเข้าใจไหมถ้าคิดว่ า, เ, คคาเทวดาสารวรรค์ น, นี่ดีนะจ ะ, จะถูกขังอยู่ในสวรรค์ด้วยอกามคุณทั้งห้าแต่ถ้าคิดว่าเทวดาไม่ไดีฉันจะวิ่งหนีแหละยิ่งถูกล็อกแน่นอเนะพราะนั้นมันล็อกเอาสองทางคือจูงสง่งขึ้นไม่ให้ไปไหนแล้วนะไม่ว่าคุณจะคิดยังไงคุณถูกขังหมดไม่วิธีหนึ่งก็วิธีหนึ่งรนะพระเจ้าสรุปตรงนี้บอกว่าเครื่องพันธนาการสัตว์ให้อยู่ในสังสารวัตรแน่นยิ่งกว่านั้นอีก แน่นยิ่งว่านี้มันละเอียดคือว่าละเอียดยิ่งกว่านี้อีกอืมครับอันนี้โอ oh, ยากเลยเนี่ยยากยากครับถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมานีิสงสัยเนี่ยทําะลุยากทำํำไมถึงมานะพอเรามามาเรียนรู้ภาษาบาลีมากยิ่งขึ้นอะมาละงครับ oh, เป็นไงครับเราพบว่าความรู้ของผู้เชี่ยนี่มันมหาศาลจริงๆริงพอเราเข้าใจโครงสร้างภาษาที่ผู้เชี่ยพูด่นะ กิริยาไว้ตรงนี้ประธานไว้ตรงนี้ประโยคอยู่ตรงนี้มันมันลึกซึ้งกว่าที่เราอ่านภาษาไทยมากๆเลยล่ะว่าไม่รู้จะอธิบา ย, ยางไงทำให้คิดว่าไอความรู้ความเรียนตามมหาวิทยาลัายที่สอนพระราชาเนี่ยนะ ท, ที่ที่สอนพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะตามเมืองนอกเมืองนานที่เขามี School of Religion อะไรนันี่อนะโอ้ยสู้ของพระราชาไม่ได้เลยอ๋อแค่เศษเสี้ยวเลยนะครับอตอนแบบสมัยก่อนเราอาจจะมีว่า โอ้ยต้องไปเรียนมาอะไรนี้ต้องไปเรียนมาอะไรนั้นต้องไปเรียนมาอะไรนูด้ดอันดับหนึ่งอันนี้ท็อปเทนท็อปไฟอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับพวก น, นันสู้ไม่ได้เลยสู้สู้ความรู้ของประชาไม่ได้เลยภูมิปัญญานี้เรียกว่ามากไม่มีประมาณเลยแหละครับคือที่อาตมาพูดตรงเนี้ยนะคือเราก็ศึกษาบทเดิมน่แหละแต่เราเข้าใจภาษามากขึ้น่นะอทําให้แบบโอ้โหมันลึกซึ้งมากเนียคือความที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มันมากขึ้นจากการที่เราเห็นมาจากเดิมๆนะ ภาษาบาลีก็คือต้นบัญญัตตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่มีการสังยขยาาก็บันทึกเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับอ่าใช่คิดว่าอย่างนั้นนะเขาก็มีความเชื่อทางอ่าทางประวัติศาสตร์กันว่าอย่างนั้นมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็เชื่อกันในลักษณะนั้นครั บ, รบแสดงว่าที่ท่านไปนศึกษาบาลีก็อ่าจะได้เป็นภาษาตรงภาษาแม่ใช่ไหมครับอืมใช่เพราะว่าการแปลสมมติจากบาลีเป็นไทยก็จะมี เออเก เ, เหมือน e อเ อ, อ, เอร์หรือว่าความความไม่ไม่ตรงกันของความหมายมมมซึ่งจะลดทอนความความถูกต้องของของเนื้อนธรรมะไปใช่มใ ช, ใช่ใช่ทีนี้เรากลับกลับมาถึงเรื่องของไอ้ความละเอียดตรงนี้นะมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะอยากจะพูดนั่นก็คือคำว่าเจตนากับการกระทำนะกรรมเนี่ยแปลว่าเจตนาการกระทำก็คือการกระทำนะ วจีกรรมเนี่ยก็คือเจตนาในการที่จะกระทำ เ, ทา จ, าเจตนาที่จะกระทำสิ่งใดทางวาจาทีนี้เนี่ยมันเลยสับสนนะนเจตนาที่จะกระทำสิ่งใดทางวาจาคือวัจีกรรมเวแลวกรรมนี่มันเจตนาหรือมันกรรมกันการทำกันแน่เอางี้ทางภาษากฎหมายเราได้พูดไปตาวคราวที่แล้วนิดหนึ่งก็จะพูดให้ชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งนะว่าอย่างควาว่าเจตนานการทำเนี่ยบางที่เรา กระทำไปโดยโดยไม่ได้เจตนาใช่ครับอ <screen S 2> ันนี้นะกระทําไปโดยไม่ได้เจตนาเนีเพราะฉะนั้นการกระทํากับเจตนาเนี่ยไม่เหมือนกันแน่การกระทำเนี่ยคือแอคชั่นได้ได้ถูกเกิดขึ้นแต่เจตนาเนี่ยการกระทำเนี่ยจะเน้นที่ภาษาถ้ามีภาษาเกิดขึ้นนะกับคนอื่นหรือกับตัวเรานีโดยที่เจตนาเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเจตนาเป็นอย่างเดียวกันอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยจะเน้นที่ภาษาที่เกิดขึ้น ตรงนี้คือความแตกต่างแต่เจตนาเนี่ยจะเน้นที่สังขารการปรุงแต่งของของอะไรของกายวาจาหรือใจการปรุงแต่งของกายวาจาหรือใจและการกระทำเนี่ยจะเน้นที่ภัษาะที่เกิดขึ้นทีนี้ภัษาะเป็นเหตุของของอะไรเป็นเหตุของกรรมนะเป็นเหตุของเจตนานะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นผลการกระทำก็จะเป็นผลของเจตนาได้หมผลของผลของกรรมคืออะไรผลของเจตนาคืออะไร อคือผลที่ให้นั่นคือวิบากถูกไหมอ่าวิบากอ่าวิบากถูกไหมวิบากของเจตนาก็อย่างหนึ่งนะแต่ผัสะที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันนะเราเดินแผ่เมตตาไปอยู่ปรากฏเราไปเหยียบเหยียบหอยอ่ะอย่างเงี้ยอ้าวการกระทําที่เกิดขึ้นคือสัตว์ตายใช่ไหมแต่เจตนาเราดีไม่มีอ่แสดงว่าผลกรรมนะผลของเจตนาที่เกิดขึ้นจากเราแผ่เมตตาจิต ดีแน่นอนัน้นแ ต, แ, แต่การกระทําที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นอะไรการกระทำที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะมีเจตนาไหมไม่มีเจตนาก็เป็นอโหสิกรรมอเป็นอโหสิกรรมนะครบ<ๆ>ับทีนี้ว่าเอทําไมเรารู้สึกบางทีเรารู้สึกไม่ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าเราได้รับผัสสะใหม่นะคือช็อตที่สองนะช็อตที่สองคือผัสสะใหม่ที่เกิดขึ้นกับกับหอยตัวนั้นอย่างนี้นะพอเกิดผัสสะใหม่เกิดขึ้นกับหอยอนี่คือช็อตที่สองนะ ช็อที่สองคือภาษานั้นเกิดขึ้นกับหอยหอยก็เจบ็บครันันหอยได้รับการเบียดเบีย น, นภาษาที่สามเกิดขึ้นกับตาของเราเราเอ้าวตายแล้วหอยมันมันมันจะตายแล้วนะเน<ม>ี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเป็นภาษาของเรานะภาษาตรงนี้ทําให้เรา ม, มีเจตนาอะไรถ้าเรามีเจตนาที่เป็นเป็นทุกขเวทนาครับภาษาแล้วจะมีเวทนาใช่ไหมถ้ามีเวทนาที่เป็นทุกเพราะว่ามันถูกเบียดเบียนอันนี้เป็นไปได้ มันเป็นช็อตๆมาเป็นอย่างนี้นะหมอท่างเข้าใจไหมเนี่ยก็พอเข้าใจครับกำลังคิดตามอยู่ไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะครับคคืออธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งแรกที่เรากระทำคือมีจิตนานเป็นเมตตาใช่ไหมอันนี้ต้องได้รับผลที่ดีแน่นอนถ้าไม่พรอมโร่ก็จะต้องเป็นมนุษที่มีความมั่งคั่งครับอะต่อไปภาษาที่สองเกิดขึ้นก็คือภาษานี้เกิดขึ้นกับตัวหอย เป็ chi, นการที่ฝ่าเท่าของเราถูกบี้ลงไปใช่ไหมเขาก็มีภัสสะที่เกิดขึ้นทําให้เขามีเมตนาตัวนี้ภัสสะที่เกิดขึ้นของเขาเนี่ยทาให้หอยตัวนี้มีทุกขเวทนาหรือผัสสะเนี่ยทาให้เกิดมีเจตนาด้วยนะเจตนาที่เกิดขึ้นถ้ามันมันหอยมันมันมันมีสัตว์เป็นสัตว์ที่มีความหลงมาก มันก็จะไม่รู้จักความความอาฆาตโกรธอะไรหรอกมันจะมีแต่ความหลงครอบความอยู่มันก็จะไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยใครมาเหยียบมันหรือมันจะตายแล้วหรือยังหรือมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะถูกอะไรมาจิกกินไหมมันจะไม่รู้เลยอืเพราะความหลงของมันใช่ไหมทีนี้ถ้ามันมีความหลงน้อยหน่อยแต่มันอาจจะมีความโกรธมากหน่อยมันก็จะผูกอาฆาตเราได้ละอันนี้จะเป็นเจตนาที่จะเกิดขึ้นกับกับจิตของหอยได้อันนี้คือจอดที่สองจอดที่สองเกิดขึ้นกับหอยนะ นี้ช็อตทอมานั่นะคือภัสสะที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือเรารับรู้นะทางขาบ้างทางตาบ้างว่าหอยได้รับการเปลียดเปี่ยนทีนี้ถ้าเผื่อว่าตรงนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญพอเมื่อมีผัสสะแล้วจะมีเวทนาเมื่อมีผัสสะแล้วจะมีเจตนาเมื่อมีภัสสะแล้วจะมีสัญญานะ เ, าเจตนาสัญญาเวทนา3ามอย่างนี้เกิดขึ้นหลังจากภาัสสะอันใดหนึ่งก็ได้นะหรือสามอย่างก็ได้ พอเรามาีผัสสะตาเห็นหอยเป็นอย่างนั้นปุ๊บเรารู้ว่าอา้าวหอยถูกเหยียบนะสัญญาเกิดขึ้นหอยถูกเหยียบเป็นสัญญานะต่อไปเราก็พบว่าถ้าเรามีทุกขเวทนาโอ้ทุกขเวทนาว่า อ, อโอ้แต่ละหอยถูกเบียดเบียนเราเป็นทุกขเขานะ<ม>หรือเร า, เราจะว่าอุเบกขาก็ได้ไม่มีปัญหาโอ้ยฉันไม่แคร์หรอกฉันก็ว่าอุเบกขาอย่างงี้นะทีนี้อันที่สามมันจะเกิดขึ้นคือเจตนาเจตนาตรงนี้ ว่าเราเจตนาที่เกิดขึ้นจากการเห็นหอยถูกเบียดเบียดเบียนเนี่ยนะคุณมีเจตนาไงคุณมีเจตนาที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยคุณมีเจตนาสมน้นามันหรือคุณมีเจตนาขอโทษหรือคุณมีเจตนาที่จะแผ่เมตตาให้เขาเพิ่มเติมหรือคุณมีเจตนาอะไรอออืหรือเจตนาตําหนิตัวเองนะเจนะตนาตําหนิตัวเองนี่ไม่ถูกต้องแล้วนะอ๋อครับไม่ถูก voilà อ่าไม่ถูกแล้วนี่จะเริ่มเป็นเป็นเข้าสู่อกุศ ล, ลความ ค, คิดมันเป็นอกุศล นะทีนี้ถ้าเรามีจเจราคุมเจตนาตรงนี้ของเราได้เราก็จะมีแต่สร้างบุญสร้างบุญนะนะครับอควรจะทําจิตใจอย่างไรครับท่านในกรณีนี้ก็อให้ตึกถึงว่าสัตว์มีกรรมของของเก่าเป็นธรรมดามจะไม่ล่วงพนกรรมไปได้สัตว์บางอย่างเนี่ยมันมีธรรมชาติแห่งความหลงเป็นธรรมดามันเดินขึ้นมามันก็ไม่รู้ว่าเป็นสนุนเป็นอะไรมันก็ถูกเหยียบอย่างเงี้ย แล้วสัตว์ที่มีความหลงเป็นธรรมดาอย่างนี้มันก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเองจะเป็นไงต่อไปครับไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองอะไรอย่างนี้มันก็มันก็เราก็ทําจิตให้เป็นเมตตาไปเรื่อยๆนะเรื่อนต่อมาที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของใจนะธรรมารมจิตกับวิญ ญ, ญ, ญาณตรงนี้แต่นะบางทีผู้ชอบก็ใช้จิตกับวิญ ญ, ญาณไปแบบแทนกันได้นกัรวิญ ญ, ญ, ญาณก็คือการรับรู้ใช่ไหม จิตก็คือบางทีก็หมายถึงจิตประภาสสอนก็มีใช้จิตเฉยเฉยอย่างที่ว่าจิตยังดำรงอยู่ตรงเนี้ยจิตจึงยินดีได้เรื่อด้วยดีพวกนี้ก็คือจิตประภาสสอนทั้งสิน้นวิ ญ, ญญาณก็หมายถึงการเข้าไปรับรู้เพราะฉะนั้นจิตประภาสสอนไปทําหน้าที่รับรู้อย่างนี้นะก็คือคคจิตไปทําหน้าที่วิญญาณเพราะฉะนั้นไอ้วิญ ญ, ญาณอย่างเงี้ยมารุพงษ์ทราบอยู่นะว่าวิญ ญ, ญาณการรู้แจ้งทางตาและการรู้แจ้งทางหูมันเป็นคนละวิญญาณกันคอันนี้ทราบเนาะเมื่อเราก็ประสบ ได้กับตัวเองอยู่แล้วเราดูหนังฟังเสียงไปด้วยพร้อมๆกันได้ดูหนังฟังเพลงพร้อมกันมีวิญญาณหกประเภทใช่ไหมครับใช่อันนี้ที่อยู่ในปฏิเสธสมุบาทครับแล้วประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของใจกับธรรมารมคือใจธรรมารมใช่ไหมใจเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปรู้ธรมารมแล้วมีมโนวิญญาณามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะทีนี้ถามว่าไอ้เจ้า ธรรมารมเนี่ยกับเจตนาเนี่ยมันต่างกันยังไงอเยอะตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอเรานั่งสมาธิอยู่นะมีคนหนึ่งเขาเคยถาม เ, เขานึกตำหนิครูบาอาจารย์นึกตำหนิเพราะเพะื่อนเพื่อนระสงค์ขึ้นมาเนี่ยทั้งๆที่เขานั่งสมาธิอยู่นะเขาไม่ได้มีจิตจะไปคิดอย่างนั้นเลยอยู่ๆมันโผวาบขึ้นมาอย่างเงี้ยอืม <ừ> เขาก็เลยกังวลว่าไอ้นี่เขาจะบาปไหมเราก็มาคิดว่าเขาจะบาปไหมหรือไม่นาะถ้าเขามีเจตนาเนี่ยเขาจะต้องบาปแน่แต่เขาบอกเขาไม่ได้มีเจตนานะมันขึ้นมาเอง เออเราถามมาเอสเราเราจะรู้ได้ไงว่าไอสิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเจตนาหรือมันเป็นธรรมารมกันแน่อืมใช่ครับคือหมายความว่าครับรมารมเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นจากความที่เราเรานึกได้ในสมมุติเมื่อก่อนเราอาจจะไปทําชั่วมาครับนนเราไปทําชั่วมาเสร็จปุ๊บมันต้องให้วิบากเป็นชั่วใช่ไหมที น, นี้วิบากที่มันเป็นชั่วเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นผัสสะในทางใจทีนี้ผัสสะทางใจมันต้องมากับธรรมารมละ ครับอ่าทีนี้ภาษาทางใจต้องอะไกับธรรมารมธินี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอไอความชั่วทางใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมารมณ์หรือมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งใหม่ขึ้นมาอืมนี่แหละที่อาตมาเขายังไม่ทราบเหมือนกันนะมารุพงศ์ว่าครับว่ามันคืออะไรครับอ่าถ้าถ้ามีใครพอจะวิเคราะห์ประเด็นนี้ก็ช่วยบอกหน่อยครับอืมก็โพสต์มาที่เพียวธรรมะก็ได้นะครับอืมอือครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้อ่า เราลองมาวิเคราะห์กันตอนนี้เลยดีไหมหมอรัชงได้ครับออว่าสมมุติว่าภาษสะนี่พระเจ้าเคยบอกผัสสะเป็นเหตุเกิดของเจตนานะเจตนาผั ส, สะ<ช>เป็นเหตุเกิดของเจตนาเพราะฉะนั้นต้องมีธรรมารมก่อนจึงมีภาษสะต้องมีธรรมารมก่อนจึงมีผาษะมีภาษสะแล้วจึงมีเจตนาเพราะฉะนั้นถามว่าเจตนาเนีย่ยต้องมาหลังธรรมารมใช่ครับทีนี้ถามว่าเขามออีผัสสะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้มันเกิดแบบถี่กันมากไหมหรือมันเกิดต่อเนื่องไหมหมอรัชวงว่า อือย่างสมมุติว่าสามสามช็อตใช่ไหมครับหนึ่งมีธรรมารมสองเกิดภาษาสามจะเกิดเจดตนาตามาทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ความคิดชั่วที่มันโผล่มาเนี่ยมันโผล่มาตั้งแต่จังหวัที่หนึ่งแล้วหรือมันเป็นอันที่สองหรือมันเป็นอันที่สามกันแน่คือมันเป็นหนึ่งหรือสามกันแน่น่ะครับอืนึกออกเนาะนึกออกครับเออมาก็ไม่ทราบเหมือนกันครั บ, รบเป็นประเด็นที่ลึกเลยนะครับไม่ผมก็ไม่เคยสงสัยประเด็นนี้เหมือนกัน ถ้าใครถ้าใครสามารถแยกตรงนี้ออกนะจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตมากๆแน่ใช่ครับเพราะว่าจะรู้วาระจิตคนตัวเองมากๆเลยจริงครับจริงครับถึงความละเอียดในการปฏิบัติจริงๆครับอันนี้เราก็อ๋อถามว่าที่พูดมาแบบบางคนอาจจะแบบพู้ที่พูดมาหลังๆสิบนาทีนี่นะบางคนอาจจะแบบไม่คยไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรกัน เอาอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็ลองจะแยกความแตกต่างร ะ, ะระหว่างลมหายใจกับพูดที่เข้าไปรู้ลมหายใจอืมอ่ะเอ า, อา ง, งี้อ่ะ น, นะลมหายใจกับพูดที่เข้าไปรู้ลมหายใจมันคนละอันกันใช่ครับถ้าไม่เห็นเอาง่ายๆตอนนี้เลยก็ได้นะลองกลั้นลมหายใจดูนะถ้ากลั้นลมหายใจดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้พูดที่เข้าไปรู้ลมหายใจกับลมหายใจเนี่ยคนละอันกันทันทีอืมเป็น<า>คนละอ่ะคนละส่วนกันนะคนละส่วนกันคุณลองทําดูก็ได้นะเพราะนั้น โอ้โหพอเราหายใจกับปุ๊บโอ้โหมันแนบสนิทติดกันเหมือนเดิมไม่รู้เลยเนียนมากไม่รู้เลยว่าไอ้ผู้ที่เข้าไปรู้ลมใจกับลมใจนี่เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่พอการหายใจปุ๊บเราจะรู้แต่พอลมหายใจมันหายไปปุ๊บแต่ไอ้ผู้รู้มันยังอยู่อ่ะใช่ครับฮะพอผู้รู้มันอยู่แต่ลมหายใจไปเอ้ามันคนละตัวกันคนละตัวคนละตัวกันก็แสดงว่ามันคนละตัวกันน่ะเรากำลังจะแยกว่าไอ้ตัวที่เข้าไปรู้กับตัวนี่คือคือสัมผัสทางกายนะสัมผัสทางกายนะ กับผู้ที่ใจนะเข้าไปรู้นี่มันคนละตัวกันนะทีนี้ถามว่าไอ้เจ้าธรรมารมกับกับไอ้เจ้าใจเนี่ยมันมันยิ่งเนียนกว่านี้เราจะแยกกันได้ยังไงก็ยังคิดไม่ออกนะครับอืมคืออาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปคิดเอาครับเป็นความละเอียดจริงจริงครับทีนี้เมีคําถามจากท่านผู้ฟังประเด็นนี้คุณหมอด่านพงมีอะไรสามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็โอ้โอ้ครับอืม ก่นที่จะข้ามไปประเด็นต่อไปนะก็จะมีความส่วนประกอบนะของจิตที่มันละเอียดอย่างนี้เนี่ยนะหมอละพงศ์เราจะต้องเอาส่วนประกอบที่ที่ถูกที่ถูกต้องเนี่ยใช้เข้าไปใส่เข้าไปนะส่วนประกอบที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องเอาออกมาต้องแยกออกอ๋อครับอ่าโดยเฉพาะยิ่งความละเอียดตรงเนี้ยคือบางที่ส่วนประกอบตรงเนี้หมวละงพงศ์พอเราเราเห็นส่วนประกอบหยาบๆบเนี่ยเราเอาออกได้ไม่มีปัญหา นะพอส่วนอะไรที่มันละเอียดละเอียดเนี่ยเราจะจะเริ่มหยิบออกอยากต้องใช้คนละกรรมวิธีใช่ค่ะ y ang, y ang, อย่างอย่างเขาปั้นขนมหรือว่าทําไส้ขนมหรือว่ากวนดินอย่างเงี้ยพวกเศษฟางเศษใบไม้นี่เขาหยิบออกแต่แรกแล้วนะพอมันก็เหลือละเอียดขึ้นมามันก็จะเป็นเศษกรวดเมล็ด ใ, ใหญ่พวกนี้เราต้องคอยหยิบออกอีกนะละเอียดเข้ามาอีกอาจจะเป็นดินที่มันไม่ร่วนเนื้อเดียว ก, กันหยิบออกนะตียากอย่างนี้นะก็คอยหยิบออกอีก อย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงข้าวนะเขาก็เอาเปลือกข้าวออกไปก่อนแล้วแล้วก็เอาข้าวที่เมล็ดหักออกไปเหลือแต่ข้าวเมล็ดเต็มๆข้าวเมล็ดเต็มๆที่ไม่เล็กๆก็เอาออกไปเหลือแต่ข้าวเมล็ดเต็มๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันละเอียดละเอียดลงไปแต่เพราะฉะนั้นความเนียนส่วนประกอบตรงนี้เราก็แยกออกเท่าที่เราเห็นละเอียดละเอียดลงไปได้ครับเข้าใจเนาะคือบางทีเราไม่สามารถเห็นละเอียดละเอียดในขณะที่หยาบๆมันมีอยู่ อืมใชครับมันจะบดบงังอ่ามันมันจะไม่เห็นล่ะครับมันจะไม่เห็นเลยเราจะต้องแยกตัวนี้ออกไปเรื่อยๆ น, นี่คือกระบวนการที่พระเจ้าใช้คําว่าบริกรรมบริกรรมอบริกรรมมังคือทําอย่างอทําอย่างดีอ่าทำอย่างดีครับบริกรรมเนี่ยคือการกระทําที่แบบว่าทําอย่างอย่างดีอ่ะนะพ่พระเจ้าใช้คําว่าบริกรรมมะกับอช่างทองทํากับเนื้อทองอย่างดีไม่ไม่ไม่ใช่คํำหมาย ที่ว่าคําบริกรรมอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับบริกรรมเดียวกันนี่แหละอ๋อบริกรรมเดียวกันบริกรรมเพราะฉะนั้นบริกรรมเนี่ยถ้าลองไปเสิร์ชดูในรูปภาษาบาลีเนี่ยจะเป็นคนละรูปกับที่เราใช้บริบริกรรมบริกรรมตรงเนี้ยมันเป็นภาษาไทยแต่พอเขาแปลมาแล้วเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราไปเสิร์ชบาลีดูเนี่ยเราจะพบว่าคําว่าบริกรรมเนี่ยมีอยู่คําว่าบริกรรมเนี่ยมีอยู่ในพระสูตรที่อยู่ในทีฆานิกรายหลายจุดทีเดียวที่ทําให้เป็นทำให้ได้อภินยาหก นะครับพระเาตรัสถึงความที่สุปริกกรร ม, มะกาตายะมัตติกายะนี่คือว่าเมื่อนวดดินดีแล้วนะสุปริกกรร ม, มะตัดสมิงคือเมื่อแต่งงานดีแล้วนะสุปริกกรร ม, มะตัดสมิงเหมือนกันนะก็คือเมื่อหลอมทองดีแล้วคือทําอย่างดีแล้วว่างั้นเถอะน ะ, ค, ะคำที่ใช้สําหรับทองก็คือสุวรรณใช่ไหมงานก็คือ ท่านตัสมิงอย่างงี้นะแล้วก็ถ้าดินดินนะยดินสำหรับปั้นหม้อเนี่ยคือมัติกายะงานนี่หมายถึงงาช้างาช้ทันตะเนี่ยเขาใช้คําว่าทันตะเหมือนฟันเหมือนฟันเป็นเขี้ยวครับเป็นเขี้ยวของช้างเนี่ยนะก็คือถ้าแต่งอย่างดีแล้วนะนวดดินอย่างดีแล้วนะล้อมทออย่างดีแล้วนี่คือบริกรรมครับเพราะเราก็ทําอย่างดีเลยนะคือนี้เราไม่ได้พูดถึงคําว่าคําบริกรรมหรืออะไรเงี้ยนะ รเรากำลัพูดถึงบริกรรมจิตอย่างดีทําจิตของเราอย่างดีรักษาจิตของเราอย่างดีทําจิตอย่างดีเลยละ<น>่ะคุณจะใช้เครื่องมืออะไรในการทําก็เอาเถอะเนะดี๋ยวเจ้า<น>ใช้ลมหายใจก็ได้พระเจ้าให้ใช้พุทธานุสติก็ได้พระเจ้า<น>ให้ใช้เห็นความไม่เที่ยงก็ได้เพืนะ่อให้จิตของเราเป็นยังไงทําอย่างดนะีให้เป็นเครื่องที่ดีแล้วเดนะี๋ยเพื่อที่จะอะไรบ้างนะทำปั้นหม้อได้ทําเป็นเครื่องประดับได้ทําเป็นแหวนตั้งหมูได้ อ๋อ น, นี่ ค, คือการบริกรรมอย่างดีเพราะฉะนั้นจิตเราถ้าเราบริกรรมอย่างดีแล้วจิตของเราจะประพัฒน์สอนได้ครับอ่าอืมนะผู<ด>้ชาก็ยังพูดถึงปัญญาหลายอย่างนะอิทธิวิธีบ้างรู้ใจคนบ้างอันนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งเพนะราะฉะนั้นไอ้การที่ทํารอวัตถุดิบให้ดีเนี่ยรอมาตรฐานให้ดีเนี่ยนั่นคือการบริกรรมครับอืมนะช่างงานแต่งงานอย่างดี นี่หมอรัคพงเคยเห็นพระพุทเจ้าเคยเล่าให้ฟังครัะพุทเจ้าเรื่องอทำทำล้อเป็นช่างทำล้อล้อล้อเกวียนะะ อ, อ, อย่างเี้นะล้อเกวียนอย่างเงี้ยนะครับผมล้อเกวียนอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าทำเนี่ยใช้เวลาตั้งองอีก6วันขาดอีก6กวันก็ครบ6เดือนครับโอ้ห้เดือนกว่ากว่าห้าเดือนกว่ากว่านะห้าเดือนกว่ากาขาดอีก6วันครบ6กเดือนเนี่ยทําได้ล้อได้อันเดียวสําหรับที่จะเหมือนกับใช้ในรถนะนะหรือล้อเกวียนอย่างเงี้ยนะ รพระราชาก็เลยถามว่าโอ้โหทําไมทําเวลานานแล้วอีกหกวันนี่ขออีกข้างได้ไหมเออครับก็อาทําได้นี่คือเกิดเคยเกิดเป็นช่างทําล้อรถนะครับ อ, อทําได้แต่ถ้าบอว่าเสร็จปุ๊บเหมือนกันเป้เลยโอ้โหเหมือนกันเป้เลยไหนเอาทดสอบดูนะล้ออันแรกที่ใช้เวลาทําเนี่ยห้าเดือนกว่ากว่านะห้าเดือนกับยี่สิบสี่วันเนี่ยกลิ้งไปพ อ, พอหมุนไปใช่ไหยล้อหมุนไปปุ๊บพอหยุดปุ๊บเนี่ยนิ่งตรง ไม่ลม้มแต่ไอล้อที่ใช้เวลาหกวันดูเหมือนกันเป๊ะเนี่ยก็ลิงไปเสร็จปุ๊บล้มเลยคือคือยังไม่ได้ใส่ไปในรถนะยังไม่ได้ใส่ไปในร ถ, ถคอถสอบข้างนอกทดสอบข้างนอกก็คือล้อไม่ได้ศูนย์บางกันเถอะออล้อไม่ได้ศูนย์ถามว่าทําไมแตนะ่พู้ชา ต, ตอนนั้นเกิดเป็นนายช่างทําล้อรถเนี่ยบอกว่าเพราะว่าเ อ, อแกนไม้กับกับพีไม้อะไรมันปนกันอยู่ในล้อที่ทำหกวัน Oh. แต่ล้อที่ทำห้าวันกับห้าเดือนกับย4บวันเนี่ยมีแต่แก่นไม้ล้วนๆไม่มีอะไรผุไม่มีอะไรเป็นเนื้อไม้เต็มๆหมดก็จะแข็งแรงพระเจ้าเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของความเปราะตรงนี้ตรงเนื้อไม้อะไรมีเสี้ยวอะไรไม่มีเสี้ยวอะไรมีอรมอยผุไม่มีรอยผุคือถ้า hmm. ถ้าหมอธุพงศ์มาดูพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะ เอรเจอร์ไม้แท้ๆเนี่ยนะเราจะเห็นบางส่วนที hmm> ่เป็นกระพี้ไม้ติดมาคือเขาพยายามเขียมเข้าใจไหมเขาจะไม่เอาแก่นไม้ล้วนๆแก่นไม้ล้วนๆบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะคือหมายความว่าความหนาความน้ำหนักเคาะดูและฟังเสียงไม่เท่ากันเพราะนั้นรถที่ที่ล้อรถมันจะได้ศูนย์เนี่ยคือเพราะว่าวิ่งวิ่งไปเนี่ยถ้าใช้ความเร็วมากล้อมไม่ได้ศูนย์มันจะน้ายากสึกไม่เท่ากันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วย ใช่ครับนพูดถึงพวกนายช่างเขารถใส่แม่ปัจจุบันเขาจะทราบดีนะเราก็ทำให้เปืองน้ำมันเปืองอะไรต่างๆมากนะแต่ถ้าล้อได้ศูนยะ์ะมีน้ำหนักตรงเท่ากันบาลานซ์ตลอดเนี่ยมันมันจะเป็นล้อที่ดีนั่นใช้เวลาทำา5เดือนกับ24บสวันนะเพราะฉะนั้นเราเอาเกียคิดดูเนื้อไม้เนี่ยนะที่จะต้องคัดเลือกดีขนาดนั้น นะให้ความหนานแน่นของส่วนหน้าส่วนหลังส่วนข้างหนานแน่นของเนื้อไม้เนี่ยเท่ากันหมดครับเราดูเนื้อไม้แก่นไม้เนี่ยเราดูไม่ออกนลเวราความหนานแน่นมันเท่ากันไหมแต่แตอ่อาจจะเห็นสีได้ระหว่างกับพีไม้กับเปลือกไม้<ช>กับพีไม้กับตัวแก่นไม้นะไอ้เจ้าตัวแก่นเองนี่ก็ก็ความหนานแน่นไม่เท่ากันแต่เพรดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในเรื่องนี้มากจึงพูดถึงการทําบริกรรมทําอย่างดนะีกับจิตของเรานะให้ใมัน ออกมาแบบสะอาดหมดจดใสสะอาด อ, อย่างเงี้ยนะคิดประพัดสอนนะครับใช่อ่ะต่อไปเราจะมีเรื่องที่ตอบคำถามถูกไหมคุณมารุดปงใช่ครับจากผู้ที่ใช้นามว่าลูกศิษย์นะครับคลูกิ์คือท่านครับคือท่านบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยที่สอนทางเข้าใจว่าคงจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ ก็นำโป ร, โปรแกรมที่าอาจารย์อาจารย์ในโรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์าาตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยนะครับนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้โดยไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็เอามาสอนให้นักศึกษาคือตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าซื้อลิขสิทธิ์แพงคือซื้อไม่ไหวทำนองนั้นนะครับถ้ามันนามาใช้อย่างนี้แล้วข้อหนึ่งคือผิดศีลธรรมหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้า เนี่ยจะอธิบายกับนักศึกษาว่าอย่างไรนะครับอืมีม <c oughs> สมมุติว่ามีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งวะนะพงศ์ตื่นเขาก็นอนหลับไปอย่างเงี้ยใช่ไหมตื่นเช้ามาวันหนึ่งเขาก็พบว่าเอ้ามีมีพระอาทิตย์อยู่โนฟ้าครับเขาก็เลยคิดว่าเฮย้ยฉันเจอพระอาทิตย์นี้ก่อนฉันจะจดทะเบียนลิขสิทธิ์พระอาทิตย์นี่ละกันครับากฏว่าพอไปถึงสํานักงานจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ฮะคุณจะจดทะเบียนที่คุณมาพบพระอาทิตย์หรอือเปาฉันก็เจอเหมือนกันนะเมื่อวันนี้ฉันก็เจอเมื่อวานฉันก็เจอครับคืออย่างอย่างพระอาทิตย์เนี่ยเราไม่สามารถจะไปจดทะเบียนเขาได้นะเข้าใจไหมใช่ครับเอาอย่างเช่นชาวนานะชาวนาเนี่ยเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ของเขาเนี่ยไว้สําหรับปลูกพืชในปีต่อไปครับนะปลูกพืชในปีต่อไปเขาจะอะ เขเวลาที่เขาจะซื้อเขาจะซื้อขายกันไปอย่างเงี้ยสมมติเขาทําพันุไว้อย่างดีนะสมมติพันธุ์ข้าวกรขออะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ก็ทําพันธุ์ออกมาแล้วก็เพื่อ<ๆ>เพื่อจะเตรียมไว้ใช้ในปีต่อไปนะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้อยู่แล้วอ่ะครับหมอรัชพงศ์เข้าใจไหมอย่างพันุข้าวอ่ะเป็นหมื่นหมื่นปีมาแล้วที่เขาปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจะมีการจดลิขสิทธิ์เลยลก็ใครมีก็ปลูกไป ใช่ครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากพันุยามาเป็นพันธุ์ข้าวอะไรพวกเนี้ยนะหรือพันข้าวดีขึ้นบ้างเลวลงบ้างเนี่ยก็เพราะมีการอ่ผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกมาใหม่ผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกมาใหม่อย่างเงี้ยใช่แล้วถามว่าไอ้ตรงที่เกิดมาใหม่นี่คุณไปจดลิขสิทธิ์หรอไม่ครับอคุณจุดลิขสิทธิ์ลูกคุณไหมไม่ครับเออเรื่องการจดลิขสิทธิ์เนี่ยมันมันมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะครับ มันเกิดมาไม่นานมันเหมือนตอบสนองระบบทุนนิยมนะครับก็แค่นั้นเองครับทีนี้ถามว่าแล้วเออเราจะเอาเกณฑ์ตรงไหนมาเป็นการวัดในการความปกติของการไม่ไม่ขโมยนะบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าใช้นะคืออย่างพระองค์เองเนี่ยก็ไม่ได้มาจดลิขสิทธิธรรมะพระพุทธเจ้าพูดไปชัดเจนว่าธรรมะเนี่ยมันมีอยู่แล้วนพี่เองแต่พระองค์เนี่ยไปค้นพบขึ้นมาตนเองต่อให้จะสาธารณจะมีหรือไม่ก็ตาม นะโมดทำนี้ก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้อยู่เดิมมีอใช่ทีนี้ถามว่าต่อให้นในกอเขาจะไม่ได้คิดไปค้นพบซิลิกอนออกมาอย่างนี้ซิลิกอนก็มีอยู่เดิมครับใช่ป่ะเอาต่อไ้ถ้าคุณจะไม่สามารถเอาซิลิกอนมาทําทรานซิสเตอร์ได้ทรานซิสเตอร์ก็มีอยู่เดิมครับเพราะว่าคุณไปค้นพบทรานซิสเตอร์แล้วเขียนโปรแกรม0 1ออกมาได้มันก็มีอยู่แล้วอะคุณไปค้นพบอย่างนี้นะครับ ไอ้เรื่องนี้ถ้าเถียงทางทางกฎหมายกันเราก็คงจะแพ้เขาอยู่ดี <laughs> เพรก็เขาก็จะเถียงไปแต่ ก, ตก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรคือแล้วแล้วลวัดระดับไหนในทางธรรมะนะในทางธรรมะรในทางที่เป็นคําสอนพระเจ้านะก็คือสิ่งที่ควรลาเนี่ยคือการขโมยนะสิ่งที่ควรละคือการขโมยสิ่งที่ควรละคือการโกงซึ่งซึ่งหน้าสิ่งที่ควนละคือการโ ก, ง, ง, ง, ง, ก, ก, รกงด้วยของปลอมานะกลางการกลงด้วย เครื่องช่างตวงวัดพวกนี้ไม่ควรทาเลย<อ>สิ่งสิ่งที่ควรละน ะ, ะคือคการขโมยนะการกกงซึ่งซึ่งหน้าการกรงด้วยเครื่องตวงวัดการกรงด้วยของปลอมอของปลอมเนี่ยหมายว่าคุณเอาเอ า, เอาเหล็กขายเหล็กอย่างเงี้ยลูกตุ้มเหล็กอย่างเงี้ยคุณคุณคเปลี่ยนเครื่องตวงวัดออกใช่ไหมหรือ ค, รคุณต้องเทคอนกรีตหนาสิบเซนคุณไปเทหนาห้าเซนอย่างเงี้ย แล้วบอกว่าอันนี้เท10เซนแล้วอันนี้ไม่ถูกละอ๋ออันนี้อันนี้ครับอันนี้ไม่ถูกละอันนี้กรองด้วยของเปล่าละใช่ครับทีนี้ว่าถ้าสเปคมันบอก5เซนเราเท5เซนแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสเปกที่หลังอันนี้ก็คุยอันที่หลังนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ทําด้วยความจริงจริงนะครับประเด็นตรงนี้คือว่าผู้เช่าบอกงี้บอกว่าไม่เป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งการจรกรรมนด้วยอาการแห่งขโมย จากบ้านก็ตามจากป่าก็ตามครับด้วยอาการแห่งขโมยเราจะหมายด้วยอาการแห่งขโมยครับคุณไปขโมยซีดีแผ่นนี้มาหรือเปล่าเขาบอกป่าวผมไปซื้อมาจากพันทิพย์อ้าวคุณไปซื้อมาใช่ไหมเนี่ยใช่เขาให้คุณหรือว่าคุณไปขโมยเข้ามาเขาเ้าให้มาคู้มใจเงินเท่าไหร่ก็เดี๋ยวนี้เขาขายเท่าไหร่ไม่รวมกันอ่าก็คงเท่านั้นแหละนะทีนี้ก็ไม่ได้เป็นอาการแห่งขโมยนะครับเข้าใช่ไหม ไม่ได้เป็นอาการเห็นขโมยนะถึงแม้จะออกมาจากบ้านบ้านดีกว่าในเมืองนะป่านี่คือหมายถึงจากป่าเขาอาจจะวางไว้นะมีเจ้าของอยู่อย่างเงี้ยครับออืาก็ถ้าถ้าในกรณีนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะถ้าสมมุติมีใครมาเคลมความเป็นเจ้าของเราก็สละทิ้งไปครับเราก็คืนให้เขาไปอืทีนี้ประเด็นนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ว่าก็มันก็ต้องมีกฎหมายบ้านเมืองอนะเราก็คงจะต้อง ให้สอดคล้องใช่ให้สอดคล้องกับกดตรงนี้ทีนี้มันมีทางออกอยู่ง่ายๆหรอเลเเดี๋ยวนี้ Open s o อ r c e เยอะแยะซอฟต์แวร์นะโอเพนซอร์สใช้ Open Source เลยซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ก็โก c คลาวด์เลย Cloud ์คอมพิวติ้นทุกอย่างอยู่ในอยู่ในบนทเทรใช่ไหมอย่างออฟฟิศต่างๆเนี้ยก็มี Google Office Google ก็เรียกอะไรก็ไม่รู้ Google สักอันหนึ่งนะ ที่มี Excel อยู่บนเว็บเพจมีด o c u m e n t อยู่บนเว็บเพจเลยเราไม่ต้องมีไฟล์อยู่บนเครื่องเราเลยอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นลักษณะ Open Source ไปนะฮะหรือว่าเป็นลักษณะแบบพัฒนาเองอย่างเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันเราก็พัฒนาเราเองอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าผมว่าคิดถ้าผมว่ากังวลมากเรื่องนี้นะก็มีทางออกให้นะครับใช่เดี๋ยวนี้เรื่องซอฟต์แวร์มันมีทางออกหลายทางนะส่วนใหญ่เอามาเองก็จะใช OpenSource S <S เราก็ใช้ Open source มันก็สบายใจดีเราจะจับจจาบางอย่างที่มันจําเป็นอย่างเงี้ยเราก็อจะต้องซื้อแต่เราไม่ก็เอาไปจ้างเขาทําำจ้างพวกที่คือจ้างเขาทำเนี่ยไม่รู้เขาใช้ซอฟต์แวร์อะไรเราก็ไม่รู้แต่เราไปจ้างเขาทํากันั้นเองอก็คือเอาซอฟต์แไปเลยครับพ <อ S 2> เพราะว่าในปัจจุบันอะไรก็มีลิขสิทธิ์ไปหมดนะครับในระบบปัวนิยมเขาก็เลยมีเฉพาะราคาสําหรับ Education Price ก็มีเนาะอ๋อซึ่งจะถูกกว่าราคาขายทั่วไปครับอ่าประมาณ น, นี้แหละก็ก็อันนี้เราก็พูดมาถึงประเด็นตรงนี้ค่ะอ่ามีเรื่องอะไรเพิ่มเติมไว้คุณหมอรัตพงดูเวลาแล้วก็น่าน่าจะ่อแล้วเนาะไม่ไม่พอครับอ่าอไว้เราค่อยมาคุยกันในตอนต่อไปวันนี้รเราพูดเรื่องอะไรกันไปบ้างก็พูดถึงเรื่องของเจตนากับการกระทำนะครับอืม ร เ, รเราพูดถึงเรื่องมาไล่มาตั้งแต่ที่เราต้องยืนยันความชัดเจนในเรื่องการศึกษาพรทธศาสนะอันนี้ที่หนึ่งใช่ไหมรเราได้ชี้แจงลงรายละเอียดให้มันชัดเจนมากขึ้นของคำ ว, ว่าเอาเป็ น, ปนยึดถือ ท, ทั้งสองฝั่งแล้วแล้วเอาที่เป็นที่พึ่งมันต่างกันยังไงอย่างนี้นะแล้วเราก็เริ่มเปรียบเทียบระหว่างยึดถือสองฝั่งกับที่พึ่งตรงกลางนะเราก็มาพูดเรื่องอะไรอีกเจตนากกรรมการกระทําไม่เหมือนกันกระทําำ แล้วก็ไล่มาถึงอะไรอีกใจกับธรรมารมม์ใจธรรมารมวิญญาจิตพวกนี้ับมีรายละเอียดที่เนียนเข้าไปอีกครับเอให้ฝึกการก้านหายใจด้วยแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ทิ้งคําถามเรื่องของเจตนากับธรรมารมณ์ซึ่งยังหาคําตอบไม่ได้ครับใช่คใช่เรื่องของการบริกรรมคําบริการบริกรรมครับเอ้ใช่การบริกรรมเนาะครับอืม โอเคแฟนก็แล้วเราก็ตั้งคำถามถึงเรื่องกลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ต่างครับนะคือเราไม่สามารถจดลิขสิทธิ์พระจันทร์พระอาทิตย์จดลิขสิทธิอ์อยารักษาโรคมันมีอยู่แล้วอะนะคมันก็จะไปจดลิขสิทธิ์อ่ะเขาสารเขา อ, อนุญาตก็ทําก็ออทําครับทีนี้เขาเขามีมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตแล้วก็ไปซื้อมากคันเองเนาะใช่ครับ อย่างอยงปอยรย αι, ปโปิโออ่ะหมอรงศ์ยาแก้ปริโอคนหมอที่คิดคนนี้เขาเขาไม่ไม่จดลิขสิทธิ์นะไม่จดเอ อ, อันมาไปดูวิดีโอที่เขาพูดสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าคุณคุณไม่สามารถจดลิขสิทธิ์พระอาทิตย์ได้นะใช่ครับอเขาบอกอย่างนี้ก็เทียบเคียงกันได้นะในสนักษณะนี้ก็ถ้าว่าเขาจะฝืนจะเอาแล้วก็ก็ให้เราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไม่เบีดเบียนใครอืมลักษณะนี้แล้วเราก็มาพบกันใหม่ในวันต่อไปคุณหมอรัตพงศ์ ครับในคราวต่อไปอต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไหโ่โศกจังหวัดอุดรธานีครับสรับกนรับกราบมัสการครับนะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ